ปีนี้ปีนี้นะจะฝึกกันจริงๆ จ, จังๆให้ฝึกเปลี่ยนนิสัยิริยามารยาททุกอย่างทีเดียวมื้อนี้เป็นมื้อข้าภรรนาวานนี้ตอนเย็นผมเตือนไว้ผูดด้ใดบม่พอใจแล้วกับนิมนต์ไปได้เพราะมีระยะเวลาจะออกเดินทางไปหาจำมพรรษาที่อื่นได้มื้อนี้ถ้าพอใจอยุ่งจะฝึกตนฝึกโตแท้อยู่ใดครับที่อย่างนันที่ผมบอกนี้ พ่อพรมพยายามทับห น, นึงขวนปีนี้เราจะต้องพยายามฝึกกันจริงจริงจังๆเพื่อจะไปสอนขนให้วันเดียวปัิจฟื้น ฟ, นฟนูตัวเขาบมไ่จีให้ไปตามนิสัยให้ไปตามอารมณ์มันมีสูตรพันวาการปฏิบัติธรรมมาคนวาหนังสือเวลามีสูตรออเดียวหมดูุจักกั น, กนไมเสร็จเ่วย ลักษณะพระพุทธเจ้าสอนนั้นเพนบอกว่าให้เจริญสติปัฏฐานที่วัดสนเขาก็ไปเรียนสติปัฏฐานที่คือกายานุปัสนาให้มีสติดูกายในกายวัดสันเวทนานุปัสนาให้มีสติดูเวทนาในเวทนาจิตตานุปัศนาให้มีสติดูจิตในจิตธรรมานุปัสนาให้มีสติดูธรรมในธรรมอันนั้นเป็นภาษาพูด เอาบูฮุจัดยอดมือนี้จึงว่าเป็นวันศุกร์วันศุกร์ที่ยี่สิบเก้าข้อพันศามือนี้ตอนเย็นครับห้าห้าภัยจียูนี่ก็ต้องเตรียมเื้อเตรียมตัวได้ถ้าจะยอมเปลี่ยนแปลงได้หรอคันโบ้ยอมเปลี่ยนแปลงผมบนอยากให้อยู่เพราะมันเปื้อนสถานที่ผมนี่ครับเดี๋ยวมันมมนี้ผมก็มูดเอาไปเลยทุกคน สลาดทุ่มเทเฮื่อแรงงานลงไปนี่ปัจจัยทุกคนได้มาสตางค์หนึ่งสองสตางค์ทุ่มเทลงมานี่มั้เพื่อเขาจิมาตั้งสถานที่เกาะทับนิขวนนี่เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมแห่งแรกของเขาในชีวิตนี้เมื่อคิดย้อนถึงคำโพดของท่านพระพุทสัตจบุรุษหรือว่าพระพุทธเจ้าผมกบุพุทธจากแล้วว่าให้มีสติกาหนดรู้นี่มันจอ้แท้เนี่ ในอิริยาบถ ท, ทั้งสี่ยืนขอให้มีสติรู้เดินขอให้มีสติรู้นั่งขอให้มีสติรู้นอนขอให้มีสติรู้อันนี้เขามีสติเพื่ออย่างก็เพื่อบอให้ลืมตัวเหานี่แหล้วการกราบการไหวแม้ไหวพระ ท, ทุกเช้าทุกเย็นส่งกระแสจิตไม่ได้สํานึกถึงตัวตัวมื่อที่เป็นแสนด้กระตามสาร่างแสดงว่าเขาบูรู่ตัวเขา เขารู้แต่คำพูดเฉือเขาลืมโตเห่าได น, นี้เท่านั้นพระก็ยัง บ, บพอให้มีสติเข้าไปกำหนดรู้ในอิทธิบุตรย่อยทุกวิธีฝุ่นพุ่นสอนเดี๋ยวนนั้นะเป็นคำพูดตรงๆทีเดียวอันนี้แหละพระไตรปิฎกโบกต้องไปพระไตรปิฎกพระสูตรพระวินยัยพระวิธรรมอันนั้นดีแล้วพระไตรปิฎกพระสูตรตันตปิฎกสองหมืนหนึ่งพันพระธรรมขันธ พระวนไนตันต่ปีดก2อง0มืหนึ่งพันพระดำขันสองปีดกนี้เป็นสี่0มื่นสองพันส่วนพายพิธรมปีดกปีดกเดียวนั่นแหละมีสี่4มื0นสองพันรวมเป็นแปด0มืนสี่พันพระดำขันนี้มันเาวได้งเนะเขากระแสนิสสกไปที่จุนให้มะกะแสติดตัวเฮากำลังนั่งอยู่เดี๋ยวนี้เนี่ยรู้สึกตัวเนี่ยพระสูรคือ ต, อตัวโตเฮานี่แหละ คนโตเฮาได้ทําการทํางานพูดคิดการกราบการไหวเนี่ยพัสูตรอันนี้พระวิเศษในคือคําพูดเนี่ยพายพ่ทําคือใจก่อน ท, ทีทําจ่พูดใจมันคิดก่อนเดี๋ามาคุมตัวนี้บัด น, นี้บัด น, นี้คนผู้บงผู้จักเรื่องราวของการมันเ็ศจังหวะอันนี้เป็นสูตรอันนี้เป็นวิธีการทํา เป็นสูตรเป็นวิธีการทําเขาไมา่ให้จังหวะพลิกมือขึ้นขัว้วมือลงยกมือไปเอามือมาเ น, นี่ยเป็นสูตรที่สําเร็จทําให้เกิดปัญญาสูตรที่สําเร็จแท้ๆนะั่นคือว่าเป็นอารมณ์ทําอันนี้ทําเพื่อยังทําเพื่อให้เกิดปัญญาเดีย๋ยวเจริญสติเขามีสติได้เขานั่งเขาพลิกมือเขาขั้วมือ เขากล้าเขาไว้เขามีสติผู้ใดบอมีสติกัง้อยแง่ไปอ้ยอยแอ่ไปเลิกแบบนั้นแปลว่าแสดงว่าโบฝึกตัวเองจิตใจโบเข้มแข็งไาจีฝึกได้โบธรรมะคนฝึกธรรมะมันต้องจิตใจเข้มแข็งผมเคยว่าบ่อยๆผมตะก้อนผมสุบุรีผมไปโยมน่ไปปฏิบัติธรรมะเนี่ยครับหักยี่สิบปรู โหน่้าคนจิตใจมันบวกลูกกันเน่ให้ไปตามอารมณ์เน้ผมให้เป็นผู้เดียวผมผมหูหูยังกันเลยหูโตเฮาเนี่ยสู้ตาเร็จมันอยู่นี่พิกหัวมหูจักตัวเฮาทุกครั้งทุกครั้งไปเลยมันก็บวูกเคลื่อนบวไหวยแล้วจนตัวเฮามันก็บวกลงอยแง่จิตใจมันก็เข้มแข็งสองคนอันนี้ไปเสวยวใจคิดไปห้อยอันพันย่าง คนโตพี่เราลืมแล้วเนี่ยเพราะว่าคนลืมโตคนลืมโตนี่เพิ่งเอื้อนว่าคนประมาทมีชีวิตอยู่เท่าเดิก็คือคนตายแล้วเดี๋ยวพูว่ามันเน่ามันเหม็นมันซัวมันทําซัวมันพูดซัวมันคิดตัวเด้มันว่เห็นตัวทำพี่เด้เนี่ยพระธรรมมาถึงย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรมไม่ให้ตกปณิทินซู้เอาถึงเขาที่เอาธรรมใส่มาปฏิบัติก็ปฏิบัติโตเห่าดิส่วนมัอย่างที่ถูกต้อง เมื่อผมทําอย่างนี้ผมรูรู ร, รูเรื่องรูป เ, เรื่องนามนี่หละครับอันนี้แหละเป็นสูตรมันในแท้แหละอันนี้รูปน้ําม น, นี่เป็นของสําคัญคันรูรูปน้ําแล้วกลับไปทําอย่างอื่นบอมแมนผิดแล้วเขาลืมรูปเรื่องนามแล้ ว, ลวตื้นเลยดิรูรูรูนามรูรูปทำรูน้ํามทำรูปอันนี้มันทำใจมันกระทำตัวมั้ยรูปอันนี้เป็นโลกใจมันก็เป็นโลกเนี่ย อันนี้เป็นโลกทางเนื้อห น, น, นังบัณฑิตโลกทางจิตใจได้บัณฑิตจิตใจที่เกียดที่คานจิตใจได้โอ้โหจิตใจโลภจิตใจดวงนะคุณจิตวิญญาณเปลี่ยนโลกอันนี้เป็นสูตรสําเร็จแท้ละอันเนี้เป็นสูตรสูตรหนึ่งของบรรพบุรุษบุคคลผู้ที่รู้ดีรู้สอบอันนี้เป็นสมาธิิแท้เพราะของจริงให้เข้าใจอย่างไน คนอื่นจริงเขาใจยังไดบุกจักผมรู้มาตั้งสิเมื่อรู้รูปรูปนามรูปรูปทำรูปนามทำรู้รูปโลกรูปนามโลกกับรูปทุกขังตั้งใจดีๆอย่าฮให้งอแงถ้าบุตั้งใจดีแล้วจิตใจส่งกระแสไปบนอื่นพูนลืมโตเฮามันต้องจิตใจเข้มแข็งจรีงรู้การเคลื่อนกันไว้ทุกอิริยาบถเป็นทุกข์ครับเนี่ยวทุกขังมันจะอยู่กับรูปอันนี้ อันนี้จังมันไม่เทียงอนัตตาบังคับบรงตาบอดใมันเป็นไปตามธรรมชาติของมันนี่ผมงจริงบอกว่าทุกเจ็บแค้งเจ็บขาเจ็บหัวปวดท้องผมงอกคนหักอันนั้นเพิ่นว่าทุกขังอันนี้จังอนัตตาแต่เมื่อผมปฏิบัติโบแมนมันเป็นทุกขะเวทนาทุกโศกโศกาทุกให้ลำไผ่ตังหกักอันนี้แหละเป็นสูตรมันแท้ๆเลยรู้อันนี้รู้อันนี้เป็นสูตรอันนี้เดียวอ่ะปัญญาที่เขาทำข่มเคลื่อนไหวนั่นแหละ มันสะสมเล็กๆในนวดสติสมาธิปัญญาเกิดขึ้นให้รู้ของจริงอันนี้ลืมเพอโตไปโมเดิรนเอิ้นโมหะโพสะโลภะเอาไปกินแล้วบ่มีสติแล้วเหาเนี่เพื่นสอนจังสันพระพุทธเจ้าเพ้่นสอนเมื่อรู้อันนี้แล้วผมก็รู้สมรรมุติโรเบเดียวสมมุติที่สมมุติเทวดาสมมติบวดสมตสมติสิกพระพุทธรูปมุนีสมมติ ผมหูจักอย่างจริงจังจริงจตอนเตาผมหูจักหูจักสมมุตินีดแล้วก่อนหูจักศาสนาโรเบียศาสนาไปว่าคําสั่งสอนของท่านผู้รู้ใครรู้เรื่องอะไดนํามาสอนทำนั้นแต่สอนให้ละตัวทวําดีซื้อบนพุทธศาสนาผมเข้าใจแล้วตัวพุทธศาสนาคือตัวสติรู้สึกตัวเนี่ยตัวสมาธิตั้งใจเนี่ยคนตั้งใจจึงจะนั่งทนอยู่ได้จิตใจเข้งแกรง ว่ามีสมาธิมันก็เหลี่ยวพุ่นเหลี่ยวพี่ลืมตัวไปเนี่ยปัญญาบระเด็สติสมาธิปัญญาปัญญาก็สอดรู้สอดเห็นกำลังเป็นยังไงอยู่เดี๋ยวนี้เนี่ยมันก็สอดรู้สอดเห็นสติสติวัลพุทธศาสนาโอ้พุทธะยังแปลผู้รู้ผู้ตืน่นผู้เบิกบานด้วยธรรมธรรมะจึงคือตัวเขามันเคลื่อนมันไหวโดยวิธีเด็กกระลุพิบตาก็รู้หายใจรู้อยู่นี่บทีเดียวนี่อันนี้แหละเป็นวิธีปฏิบัติ เป็นสูตรที่สำเร็จมาแท้ๆบ้าก็คืองโง่นั่นโลมาเดียวมันมืดเพราะมันลืมโตเนี่ยบุญได้บระเนี้ยบุญคือรูรูแล้วโบเศร้าโศกโบเสียใจใน้ำไผทั้งมดผมเป็นทางสังอันนี้เป็นสูตรที่เรียนให้รู้โบไม่เรียนรู้ เ, เนี่ยปฏิบัติมันรู้มาเองมันมาจากกฎของธรรมศาสตร์เรียว่ายานของปัญญาวิปัสสนาเกิดขึ้น มีปรัชนาจังหวะรููแจ้งรูจริง ร, ร, งรูแล้วต่างเกาลวงภาวะเดิมเลิกเลยผมอะแต่ก่อนผมมีคาถามุมาคาบุทองนี่เอาไปเป็นบอกเอาไปจากเล่มหนเนี่ยไปเรียนมนต์เรียนมนคงนี่ผง ม, มีคงพาเนี่ยมันเฮียนไปทังสันมันอันใดจืดมาคงมากกันไดจะมีแต่คนจิตใจอ้อนอะ ถ้าจิตใจเข้มแข็งแล้วอ้ยมันคนหลอกคนหรือซื้ออย่างว่าขวานมนมันยังจำได้อยู่ในผมบางคำอมทุรีทุรีว่สันคอกูมีแผ่นทองกั้งผ้าสันหน้าผ้ากแกนปันหินตีนกูแกนปันเหล็กหมบ้านมารูปเบื้องขอตัวรถบ่มีเมียน้ำตาไหลออกมาลวดผมตีนเนี่ยย่งางไปน้ำถนนหนทางบางทีน้าปักก็เขา้าเนี่ คนแข้งกูท่อดนำคาคนขากูท่อขอนเม้นกูจักเต้นไปได้ห้อยยศผ่นวาพญามณ์ทางหลายเจ้ามากลับมาไหวมาค้าบ่าบังไผยจีนมาค้งมาบังตัวเขาบ่มีไผ่มาค้างมาบังที่แท้เป็นคําพูดสมมุติให้เู้จักสมมุติจริงๆอันนี้แหละเขาไปติดสมมุติไปติดเตพิ ธ, ธีลีตองต่างๆเขาเลยโบได้ปฏิบัติตัวเขาจริงๆปีนี้แ่ะต้องออกกันจริงกระจ่างอันนี้เป็นสูตรสูตรหนึ่งเบืองต้น ให้ลูกอันนี้ทันผิดจากนี้ไปแล้วผิดเลยเลิกได้เลยผมเลิกทุกสิ่งทุกอย่างเลิกไหว้ผีเลิกไหว้เทวดาแต่ว่าไหวเทวดาก้บิฮิรินี่คนใดมีฮิริคมลายแก้ใจอยู่เสมอนั่นแหละเทวดานั่งง่อยเงียบจนนั่ะบ่มีบ่มีฮิรินั่นเลื่อโตบ่มีคมลายแก้ใจแล้วเด่นั่นนั่งไหว้พระเงางงอเงางนอนนี่นั่งฟังเทศเงางเงหลับเมานอน มันจะมีเฮลี่ยังใดังไดนเนี่ยมันก็คล้ายๆคือสัตว์นิสโนวคนบ่มีคมได้อายในใจได้นี่บ่ได้บังใจตัวเองได้นี่่ะพิชไปตามอารมณ์พุ่นนี่พิวาให้ฟังมุนเดี่ยวเอาจริงเอาจังจริงพิชกันจริงจริงจังๆเตือนในมือแหลงหวานี่พุ่นนี้ครับถ้าใครจะอยู่เนี่ก็ต้องเอาจริงเอาจังบวพระว่เนรมว่าญาตว่าโนมเพราะว่าการปฏิบัตินั้นมีเจคัมภูดแต่ตัวจริงมีน้อย น, นเมื่อปฏิบัติอย่างนี้เราตกเย็นมาผมเขารู้อึดอึดเพลินผมไปอาบน้ำรู้ใจผมผมบรู้ผู้อื่นใจมันคิดขึ้นมาผมรู้แต่ก่อนนั้นผมรู้ซึ้งๆรู้บัดนี้มันรู้ใจมันคิดขึ้นมาปุ๊บผมเห็นผมรู้ผมเข้าใจอันนี้เป็นสูตรอันหนึ่งเป็นสูตรที่ให้เราเลิกลจะจากงข่มตัวใดก็เลยเห็นวัดถุเห็นรู้เข้าใจ สัมผัสได้จริงๆวัตถุหมายถึงทุกสิ่งทุกอย่างทีเดียวต้นไม้ปูเขา่าห้วยหนองฟองบึงเป็นวัตถุทั้งนั้นเนื้อหนังเขาเป็นวัตถุบนนี้มีจริงจิตใจเขาก็เป็นวัตถุมีจริงนี่ของจริงมาต้องเห็นจริงแล้วสันไลเป็นคันเป็นตอ น, ม, น, ตนามาแล้วสันปรมัตดแล้วของจริงมีอยู่ในโลกนี้กำลังเขาสัมผัสอยู่กำลังเขาลูบตัวอยู่กำลังเขารู้ความคิดเขาอยู่เนี่ยเป็นปรามาตัตด อาการสภาพต้นไม้ภูเขาห้วยหนองคองบึงหรือเนื้อหนังมันก็เปลี่ยนแปลงไปได้จิตใจก็เปลี่ยนแปลงไปได้บนเนี่ยหลักสณะนี่เรียกว่าต้มกับน้ําเขาเอาน้าขุนมาเตินบ่แม่น้าบ่ได้ขุนต้มเลนต่างหากมาให้น้าขุนวันนี้โตสติโตชีวิตของเขาจริงๆมันบ่ได้มีทุกบ่ได้มีโลบ่บได้มีโทษ บ, บ่ได้มีลงโลบ่อโทษลงเพราะเขาลืมโต ยังนั่งอยู่เดี่ยนี้เนี่ยงอกแงกเนี่ยบูรู้สึกตัวได้เนี่ยเนี่ยโลกกดลงมัเข้ามาแล้วเนี่ยอันนี้แหละมันทําให้นําคุณทําให้เราทําตัวพูดตัวคิดตัวคุมันเข้าใจสิโอลักษณะโทสะโมหะโลภะมันเข้ามาเป็นอย่างนี้เมื่อควบคุมได้แล้วสิรู้สึกตัวอยู่แล้วมีความรู้สึกตัวตื่นตัวรู้สึกใจตื่นใจในการทําการพูดอย่างที่ โทสะโมหะโลภะกามาไได้นี่เป็นว่าได้กระแสได้ต้นทางกับนี้เลยผมรู้จั ก, กดูหนังสือเวทนามีอยู่ในบุตรุขสัญญามีอยู่ในบุตรุขสังขารมีอยู่ในบุตรุขวิญญาณมีอยู่ในบุตรุขนี่เดี๋ยวออรูปตีอันนี้แต่ก้อนมันลูกขันห้าบัณ น, นี้ขันตีขึ้นมาแล้วบัณฑิตเนี่ยผมรู้ไปแล้วอันนี้เป็นสูตรสําเร็จมาแท้ ตัต บ, บุรุษบุคคลผู้ที่ลูมาสอนมาสิรูปที่จากนี้ไปโบมีอะไรแบบนอันนี้เพื่อนวันหลักสนะใจดีเมื่อลูปรูปน้ําเนี่ยนะดีใจนี่ใจมันดีแล้วบ่พอเอาน้ําออกจากอันตะกอนได้เด็ตะกอนอันที่เขาเอื้อนนำ้ำขุนน้ำอยู่ตรงท่งให้ทงห่งนาเขาไถนาแล้วเขาเอื่นนำ้ำขุนห้องจริงโงจริงควรขวมจริงนาบุกุลตะกอนตั้งหันนี่ ของยังนี่มีมัดทุกคนพระส่งองค์เจ้าก็มีญาติโยมก็มีคนถือศาสนาใดก็มีคือกันมัดจึงว่าพุทธศาสนานี้เป็นสากลเป็นของบุคคลผู้ที่รู้บนบคคนี้เป็นของบุคคลผู้ที่ไม่รู้เด้เป็นของบุคคลผู้ที่รู้คนใดรู้คนนั้นแหละเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าเขาจึงว่ากันว่าพุทธานุพุทธังกัน พูดตัตลูตามพระพุทธเจ้ามีสิ่งในทิฏฐิเสมอการมีสิน้นคือกันกับพระพุทธเจ้ามีความไม่เห็นเหมือนกันกันกบพระพุทธเจ้าโบผิดกันถ้าผิดจักนี้ไปแล้วผมว่าทูกของผู้นั้นแต่วิธีผมมีโบทุกแต่วิธีนั่นก็ได้บอกได้สอนกันมาแล้วมู่หลวงพ่อมู่นี่ก็ได้เห็นสํเาเร็จ ม, มาแล้วไหมบ่เนี่ยมู่มหาอุโมกขุทุกคนละ่อยู่เนีย่ยเห็ุสาสาจังหวะ ทีแรกเบื้องแรกต้องฮิตจังหวะตาสาจังก่อนมันหูเละแล้วพอได้หูจังหวะแล้วก็มันสติมันรู้ตัวแล้วก็มาเดินจมกร ม, ม, ม <ๆ S 2> เมื่อเดินเข้าไปแล้วมันเกิดปัญญาตัวปัญญามันเกิดมาเพราะตัวขเขาฮิตจังหวะทีเดีเมื่อรู้อันนี้แล้วผมก็รล้เออนี่หวมเป็นพระอยู่ที่ตรงนี้เองวันนนี่ผมย่างอยู่ครับนุ่งกางเกงโอ้กูปเป็นพระได้แล้วเด้วนันนี้เป็นอะไร น้ำหนักตัวของผมเนี่ยร้อยกิโลอย่างน้อยมันตู้มไปโลดมาทันหกสิบกิโลแต่มผมคิดว่าแปดสิบกิโลมึงไปแล้วบัดเนยวาทันเบาขึ้นไป น, นักทันปั๊บแป๊ บ, ปบมึดเดียวนึง่งจิตใจผมเปลี่ยนสองครั้งครับตอนเย็นนีงเดีววะเป็นสูตรที่ดีที่สุดสูตรอันนี้ก็ เ, เลยรู้เห็น เข้าใจสัมผัสแนบแน่นสูตรมันว่ากิเลสตัณหาอุปาทานกรรมอันนี้ก็เป็นรูปที่คือกันมรูปเป็นขันธ์ที่คือกั น, นีมจางไปเลยครับรู้จักมรรครู้จักผลทันทีเลยครับอันนี้แหละเป็นสูตรสําเร็จเห็นไปตามสัตจบุรุษบุคคลผู้ที่รู้จริงๆเขาเรียกสอน่างทีบัด น, นี้ข่มโลภข่มโกรธข่มลงเอาเอินเราสั่งก่อน แต่ผมหูจังวัดโทสะโมฮะโลภาก็จางขายจืดไปขายขายขือนน้ำลางสิเนี่ครับมันจางขายออกไปจางขายออกไปผมก็เลยมานอนครับมานอนแล้วก็ตื่นมามื่อเสาร์น้าผมก็ล้างหน้าแปรงฟันสุดมันอันนี้พี่ได้คำว่าสุสดสําเร็จสุสดสําเร็จบ่กไม่ว่าจะไปวอลสุด อ, อื่นๆเนี่ยก็เลยมาเดินจมขมเมื่อเสารมา ผมเดินไปเดินมาน่ะแต่ผมนั่งสก๊อนนะพี่ตับนั่งแล้วผมก็ลงมาเดินเดินแล้วผมมันบ ม, มีไฟฟ้าเทียงไขไปใตไวโต้ขี้เข็บตัวนึ่งมันมาเลีนภาาพมาผมเลยเอาเทียงไข่ใต้ต่างไปเพราะว่ามันกัดผมคือหนูพี่เจมันเจ็บขี้เข็บนีไปแสงปรเหงนี่ผมกลับมาใต้ไวเลยเลยหูวจักสิ้นขึ้นมาเลย อันสิ้นห้าสิ้นแปดสิ้นสิบสิ้นสองร้อยี่สิบเจ็ดสิ้นสามร้อยเนี่เป็นสิ้นสังคมเป็นสิ่งสมมุติจิตวิสิทธเป็นเครื่องกำจัดกิเลสอย่างหยาบสมาธิเป็นเครื่องกำจัดกิเลสอย่างกลางปัญญาเป็นเครื่องกําจัดกิเลสอย่างละเอียดหาวกันบวชมาในเก้าปีสิบปียังยังบ้วกิเลสอย่างหยาบอย่างบ้วหุจักเสือบุรีตัวเดียวยังเลิกบวได้มาจีเลรกกิเลสอย่างหยาบอย่างไหนมันก็เป็นภาคีริวสันติบี้ กับเป็น้าสิเทาตอนนั้นทีเลิกบ่ได้อ ย, ย่างอยากิเลสอย่งงางหนกมันยากสูบมันบ่เห็นใจบุญได้แบบ น, นี้ บ, บุได้เบื้องใจตัวเองจยากเทอเด้มันจะเห็นบอกนี่งงนกิเลสอย่างอหนังกิเลสอย่างกลางคือยังสิไปติดขมสงบกิลเลสอย่างละเอียดเป็นยังสินหมูจักทางไปครับหมูจากทางไ ป, งไปอ๋อ กินจึงว่ามีแล้วในคนทุกคนทําให้ปกติอันนี้เกิดขึ้นแล้วเกิดปัญญาแท้ๆรับรองได้ทีเดียวอันเนี้จึงว่าเป็นสูตรที่สําเร็จรู้จักสมถกรรมฐานรู้จักวิปัสนาภาวนารู้จักแท้ๆสมถกรรมฐานไปเป็นทางสุดครับแล้วตาวําราเพินวาขันวาสมถกรรมฐานตั้งหลักมั่นแล้วก็ยกขึ้นพระตรักมาพิจารณาจนเมียนิวอันนั้น ได้ผมเฮ็ดแล้วเฮ็ดมาแล้วครูบาอาจารย์สอนมาแล้วเด้หายใจเข้าพุทหายใจออกโถนับหนึ่งสองสามห้องยุบนีเฮ็ดแบบเม็ดครับดูลมหายใจสั้นยาวเขา้าออกมีโอยลมหยาบลมละเอียดเฮ็ดมาแล้วโบกเกิดปัญญาโบกเกิดสูตรสาเร็จอันนี้ขึ้นมาให้เฮ็ดเลพอดีมาทําอันนี้มันเกิดปัญญาเกิดเป็นสูตรสูตรนึงขึ้นมาแท้แทนี่ ก็เลยรู้จักสิงสินเ ป, นปรียปกตินั่งอยู่นี่ขันผู้ใดบูอยู่ปกติเราแสดงว่าบมีสินตัวเดีย ว, ว, ว, ยยวจัดการกิเลสยังหยงบาบบดได้เป็นพักที่ริว